พระไตรปิดกเล่มที่สิบสี่พระหูธาตุกะสูตรบัณฑิตคือผู้ฉลาดในธาตุฐานะอายตนะปฏิจจสมุปบาทสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายภัยทั้งปวงที่เกิดขึ้นอุปัทวะทั้งปวงที่เกิดขึ้นอุปสัคทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพาลไม่ใช่เกิดจากบัณฑิตภัยในที่นี้หมายถึงความสะดุ้งกลัวแห่งจิตเช่นการได้ทราบข่าวว่าโจรจะปล้นแล้วเกิดความสะดุ้งกลัวอุปัทวะ ในที่นี้หมายถึงภาวะที่จิตฟุ้งซ่านเช่นเมื่อรู้ว่าโจรจะปล้นก็ระส่ำระสายพยายามจะหนีพร้อมกับขนของไปด้วยเท่าที่พอจะถือติดมือไปได้อุปสรรคในที่นี้หมายถึงอาการที่มีความขัดข้องเช่นการถูกโจรล้อมบ้านจุดไฟปิดประตูไม่ให้หนีไปได้และค่าแล้วจิงเอทรัพ์ทั้งหมดไป ไฟทั้งปวงที่เกิดขึ้นอุปัวะทั้งปวงที่เกิดขึ้นอุปสรรคทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพานไม่ใช่เกิดจากบัณฑิตเปรียบเหมือนไฟที่ลุกลามจากเรือนไม้อ้อหรือเรือนหญ้าไม่แม้เรือนยอดที่เขาโบกทั้งภายในและภายนอกลมพัดเข้าไม่ได้มีบานประตูปิดมิดชิดหน้าต่างปิดสนิทฉะนั้นคนพาณมีัย บัณฑิตไม่มีภัยคนพาณมีอุปัทวะบัณฑิตไม่มีอุปัทวะคนพาณมีอุปศักบัณฑิตไม่มีอุปศัคภัยไม่มีจากบัณฑิตอุปัทวะไม่มีจากบัณฑิตอุปศักไม่มีจากบัณฑิตเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นบัณฑิต เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอนุ์ได้กราบทุลถามว่าด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเครื่องไตรตรองตรัสว่าเพราะภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุฉลาดในอายตนะฉลาดในปฏิจจสมุปบาทและฉลาดในฐานะและอ า, านะด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้เป็นบัณฑิต มีปัญญาเครื่องไตรตรองภิกษุผู้ฉลาดในธาตุคือธาตุประการนี้ได้แก่ 1. จักขุูธาตุธาตุคือจักขุประสาส 2. รรูปธาตุธาตุคือรูปารมณ์ 3. จักขุวิญญาณธ า, าตุธาตุคือจักขุวิญญาณ 4. โสตธาตุธาตุคือโสตประสาส์ 5. สัทธาตุธาตุคือสัทอารมณ์ 6. โสตวิญญาณธาตุธาตุคือโสตวิญญาณ 7. จคานาธาตุธาตุคือคานประสาท 8. ปคันธาธาตุธาตุคือคันธารมณ์ 9. กาคานวิญญาณธาตุธาตุคือคานวิญญาณ10ชิวหาธาตุธาตุคือจิวหาประสาท สิประสาธทาธาตุาตคือรสารมสิบชิวหาวิญญาณธาตุาธาตุคือชิวหาวิญญาณ 13. กายาธาตุธาตุคือกายประสาทสิบสี่โหทัพพาธาตุธาตุคือโหทัพพารมสิบหกายวิญญาณธาตุธาตุคือกายวิญญาณ 16. มนโนธาตุ ธาตุคือมโน17ธรรมธาตุธาตุคือธรรมารมณ์สิมโนวิญญาณธาตุธาตุคือมโนวิญญาณเพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุสิประการนี้แหละจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุพระนนทูลถามว่ามีบรรยายอื่นอีกหรือไม่ที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ ตรัสว่ามีธาตุหกประการนี้คือปัตวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุเพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุหกประการนี้แหละจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุพระอนุทูลถามว่ามีธรรมบรรยายอื่นอีกหรือไม่ที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุตรัสว่า มีธาตุหประการนี้คือสุขธาตุธาตุคือสุขทุกขธาตุธาตุคือทุกขโสมนัสธาตุธาตุคือโสมนัสโทมันัสธาตุธาตุคือโทมนัสอุเบกขาธาตุธาตุคืออุเบกขาและอวิชชาธาตุธาตุคืออวิชชาเพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุหประการนี้แหลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ พระอานนทูนถามว่ามีบรรยายอื่นอีกหรือไม่ที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุตรัสว่ามีธาตุอีกหกประการคือกามทธาตุเนคขมทธาตุพยาบาทธาตุอพยาบาทธาตุวิหิงสาธาตุและอวิหิงสาธาตุเพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุหประการนี้แหลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ พระอานนทูลถามว่ามีปัญญาอื่นอีกหรือไม่ที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุตรัสว่ามีธาตุอีกสามประการนี้คือการมาธาตุธาตุคือการมารม์รูปธาตุธาตุคือรูปารมและเอารูปธาตุธาตุคืออารูปารมเพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุสามประการนี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ พระอาน์ทูลถามว่ามีบรรยายอื่นอีกหรือไม่ที่กวรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุตรัสว่ามีธาตุสองประการนี้คือสังคตธาตุธาตุคือสังคตธรรมและอสังคตธาตุธาตุคืออสังคตธรรมเพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นสองประการนี้แหละจึงกวรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ พระอานุทูลถามอีกว่าด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในอายตนะตรัสว่าอายตนะภายในและภายนอกอย่างละหกประการ น, นี้คือจักขุ ค, คือตาคู่กับรูปโสตะคือหูคู่กับสัทธะคือเสียงขานะคือจมูกคู่กับคันทะคือกลิ่นชิวหาคือลิ้นคู่กับรส กายคู่กับโพธพิภพและมโนโคือใจคู่กับธรรมารมเพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นอายตนะภายในและภายนอกอย่างละหกประการ น, นี้แหละจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในอายตนะภิกษุผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทคือภิกษุในธรรมวิไนนี้ย่อมรู้อย่างนี้ว่า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 มีได้ด้วยประการชนนี้อานนท์ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทภิกษุผู้ฉลาดในฐานะและอาฐานะคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันขึ้นไป พึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสภาวะเที่ยงแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสภาวะเที่ยงรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสุขแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสุขรู้ชัดว่า เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือธรรมะไร่ไรโดยความเป็นอัตตาแต่เป็นไปได้ที่ปุตุชนพึงยึดถือธรรมะไร่ไรโดยความเป็นอัตตารู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่ามารดาแต่เป็นไปได้ที่ปุตตุชนพึงฆ่ามารดา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 ทำร้ายตถาคตให้ห้อเลือดแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงมีจิตรประทุษร้ายทำร้ายตถาคตให้ห้อเลือดรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงทำลายสงแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงทำลายสงรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงนับถือศาสดาอื่น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 พึงเสด็จอุบัติพร้อมกันในโลกธาตุเดียวแต่เป็นไปได้ที่พระเจ้าจากักรพรรดิพระองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียวรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่สตรีพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิครองความเป็นเท้าสักกะเป็นพรหมแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเป็นเท้าสักกะเป็นพรหมรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่กายทุจริตวจีทุจริตและมนโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่กายทุจริตคือความประพฤติผิดทางกายวจีทุจริตการประพฤติผิดทางวาจาและมนโนทุจริตการประพฤติผิดทางใจ จะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่กายสุจริตวาจีสุจริตและมโนสุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่กายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจ รู้ชัดว่า Source เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยกายยัุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เพราะความเพียบพร้อมด้วยกายยัุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยกายทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกเพราะความเพียบพร้อมด้วยกายยทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัย รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้เพียรพร้อมด้วยกายทุจริตวาจีทุจริตมโนทุจริตหลังจะตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้เพียรพร้อมด้วยกายทุจริตหรือวจีทุจริตหรือมโนทุจริตหลังจะตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบานรกความเพียรพร้อมห้าประการ คือหนึ même, ่เ no, พียรพร้อมด้วยการสั่งสมเพราะสั่งสมกุศลกรรมและอกุศลกรรม 2. องเพียรพร้อมด้วยเจตนาเพราะจงใจในการก่อกุศลกรรมและอกุศลกรรม 3. ามเพียรพร้อมด้วยกรรมเพราะกรรมที่สัตว์สั่งสมไว้ตราบเท่าที่ยังไม่ได้บรรลุอรหัตผล 4. ี่เพียรพร้อมด้วยวิบากเพราะเสวยผลของกรรมที่สั่งสมไว้ และห้าเพียบพร้อมด้วยการอุบัติเพราะเกิดในนรกคันมานดาหรือเทวโลกตราบเท่าที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยกายสุจริตวจีสุจจริตมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก แต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยกายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตหลังจะกตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อานุนโดยเหตุมีประมาณเท่านี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในฐานะและอาถาณนะท่านพระอานุ์ได้กราบทูลถามว่าธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไรตรัสว่า เธอจงจำธรรมบัรยายนี้ไว้ว่าชื่อพะหุธาตุกะบ้างชื่อจตุปริวัตตะบ้างชื่อธรรมาทาสะบ้างชื่ออมตะทุนทุพีบ้างชื่ออนุตระสังขามวิเชยะบ้างพาหุธาตุกะแปลว่าธาตุมากอย่างที่เรียกธรรมบรรยายนี้ว่าธาตุมากอย่างเพราะอธิบายเกี่ยวกับธาตุสิบปดบ้างธาตุหกบ้างเป็นตน้น จตุปริวัติตร์แปลว่าวงเวียนสี่วงเวียนที่เรียกธรรมบัญญญานี้ว่าวงเวียนเพราะอธิบายวงเวียนสี่คือธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทและฐานะกับอัถานะธรรมาทาสแปล ว, ว่าแว่นสองธรรมที่เรียกธรรมบัญญญานี้ว่าแว่นสองธรรมเพราะใช้ส่องดูธรรมะได้เหมือนใช้กระจกส่องดูเงาหน้าฉะนั้น อมตะทุนทุพีแปลว่ากลองอมตะธรรมที่เรียกธรรมบัญญายนี้ว่ากลองอมตะธรรมเพราะพระโยคาวจรศึกษาปฏิบัติวิปัสนาตามที่กล่าวไว้ในสูตรนี้แล้วสามารถย่ำยีกิเลสทั้งหลายจนประสบชัยชนะคือสำเร็จอรหัตผลได้เหมือนนักรบผู้ทาหน้าที่ย่ำยีฆาศึกถือกลองรบเข้าประจันบาลกับฆาศึกป่ายตรงข้าม จนประสบชัยชนะฉะนั้นอนุตตรสังฆามวิชยะแปลว่าตำราพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมที่เรียกธรรมบัญญัตินี้ว่าตำราพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมเพราะประโยคาวจรถืออาวุธคือวิปัสนาสามารถกําจัดกองกิเลสจนประสบชัยชนะคืออรหัตตผลได้เหมือนนักรบเข้าสู่สงคราม ถืออาวุธ5้าประการกำจัดกองทัพฝ่ายตรงข้ามได้ชัยชนะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทินี้แล้วท่านพระอนุนมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละจบพระหุทาตุกสูตรหมายเหตุผู้อ่านสำหรับข้อที่ว่ารู้ชัดว่า สตรีไม่มีทางเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นข้อนี้ควรศึกษาปฏิบัติให้เข้าถึงเห็นสภาวะธรรมเข้าใจในหลักกรรมหรือหลักปฏิจจสมุปบาทมากพอก่อนด้วยนะครับไม่อย่างนั้นก็จะเข้าใจผิดไปได้ว่าคำพีที่สืบทอดกันมานี้ถูกแต่งเติมด้วยความเชื่อของผู้ชายเป็นใหญ่ในสมัยโบราณความจริงเลาทุกคนเกิดตายหลายชาติเป็นชายเป็นหญิงสลับไปมาจนจาไม่ได้นะครับ การที่จะคิดว่าเป็นการริดรอนสิทธิสตรีและสแสวงหาความเสมอภาคโดยขาดความเข้าใจเหมือนกับเธอที่ไม่กวรบวชเพราะอะไรแต่ยังทําความดีในคารวาะได้ผู้หญิงเองก็สามารถบรรลุอรหัตผลได้แต่การจะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าต้องบําเพ็ญเพียรต้องมีความร้อมเหมือนคนจะเป็นทหารออกรบนะครับก็ต้องเกิดมามีร่างกายเหมาะสมอย่างไรจะทําอาชีพอะไร ร่างกายมันสมองและทุกสิ่งก็ต้องเอื้อต่อ ก, การเป็นสิ่งนั้นถ้าเข้าใจก็คงจบปัญหาไม่อย่างนั้นก็ต้องเรียกร้องให้ผู้หญิงไปเกณฑ์ทหารด้วยความเป็นแม่คนให้ความอบอุ่นได้มากกว่าความเป็นพ่อที่มีความแข็งแกรง่งปกป้องคุ้มครองครอบครัวอันนี้เป็นสัจธรรมพื้นฐานนะครับที่เราเกิดมาเป็นเพศอะไรเพื่อเป็นอะไรเพื่อทําอะไรแต่ถ้าใครอยากจะเป็นพระพุทธเจ้า ต้องมีการบำเพ็ญเพียรอย่างหนักและกรรมที่ทำก็จะต้องส่งให้เกิดเป็นผู้ชายเพื่อจะมีร่างกายที่พร้อมออกบวชเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่ยอมเข้าใจหรือใช้สามาัญสำนึกของตนที่ยังไม่ได้เข้าใจสภาวะธรรมหรือศึกษาธรรมะดีพอแล้วก็เอาความรู้ความสามารถของตนในระดับที่ยังไม่ถึงมาตัดสินด้วยความรู้ทางโลก แม้ต่อให้จบปริญญาเป็นด็อกเตอร์ได้มาหลายใบแต่ถ้ายังไม่เข้าใจสภาวะธรรมยังปฏิบัติไม่ถึงก็ไม่มีทางเข้าใจคาสอนในพระพุทธศาสนาได้นะครับทุกอย่างมันคือความเหมาะสมนะครับยกตัวอย่างเช่นสภาวะแห่งเพศหญิงเมื่อหมดประจำเดือนความคิดจะเปลี่ยนเหมือนเบื่อโลกหมดอะไรทั้งโลกเราจะได้เห็นมนุษย์ป้าที่มีนิสัยเปลี่ยนไปจากตอนวัยสาวหรือว่า ผู้หญิงจำนวนมากที่เข้าสู่วัยทองแล้วจะท้อเข้าวัดนะฮะพอคิดว่าหมดอะไรทั้งโลกเบื่อไหนทั้งโลกแล้วแต่จริงๆมันแค่การปิดกั้นไว้นะครับไม่มีฮอร์โมนห ล, ลั่งออกมาความต้องการทางเพศหายความอยากได้ใครดินในทั้งโลกมันก็น้อยลงซึ่งต่างจากผู้ชายที่ต่อให้แก่แค่ไหนนะฮะก็ยังมีความต้องการทางเพศอยู่มีการกระตุ้นให้อยากผสมพันธุ์อยู่ได้ตรงนี้เองเป็นแค่จุดเล็กๆนะครับที่ มันทำให้วัดกันว่าเราสามารถตัดกิเลสได้จริงไหมถ้าเกิดความอยากความใคร่ที่มันถูกหลบฝังอยู่เราจะรู้ได้ยังไงมันก็เหมือนกับคนเป็นโรคแล้วโรคไม่แสดงอาการตรวจหาโรคไม่พบก็ไม่สามารถที่จะรักษาตัวเองให้หายได้นะครับเรื่องพวกนี้ควรศึกษาและทําใจเป็นกลางไว้เสมอนะครับอย่าเผลอใช้ปัญญาทางโลกหรือสิ่งที่เราพบเจอในทางโลกแล้วเอามาตัดสินธรรมะ ธรรมะควรศึกษาเพื่อให้ปล่อยวางนะครับไม่ใช่ยิ่งศึกษายิ่งยึดยิ่งพยายามจะขับอัตตามานาทิฏฐิของตนเพื่อให้เสมอผู้อื่นซึ่งคิดแค่นี้ก็ผิดหลักการบรรลุธรรมแล้วนะครับที่ต้องวางและไม่ให้รู้สึกว่ากายใจนี้เป็นเเราเป็นของเราก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับอดทนศึกษาภาคเพียนให้เข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนที่พระพุทธองค์ทรงสั่ง ส, งสอนไว้ วันหนึ่งเราก็จะไปถึงเองขอเพียงแค่ยึดหลักสําคัญไว้นะครับดังที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่าหากเรายังไม่บรรลุเป็นอรหันต์ก็อย่าพึ่งเชื่อปักใจมั่นว่าสิ่งที่รู้นั้นเป็นความรู้ที่ถูกต้องต้องเปิดใจไว้รับข้อมูลใหม่ๆเสมอแล้วใช้การคิดพิจารณาบวกกับการปฏิบัติที่สม่ําเสมอ แล้ววันหนึ่งเราก็จะไปถึงจุดมุ่งหมายได้โดยไม่ลำบากนักขอให้เจริญในธรรมกันทุกท่านนะครับ